บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิย่แห่งพระพุทธดำรัสที่ได้สัตว์แก่กะปะนาวกะมานพได้ทรงเชให้เห็นถึงคุณสมบัติที่เด่นของพระอรหันต์หรือในที่นี้เรียกว่าอารหันตตะคีนาศพ คือท่านที่มีอาสวะสิ้นแล้วนั้นจะไม่มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลไม่มียตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดสามารถขจัดชาติชรามรณะในโลกลงไปได้นี่ถือว่าเป็นปฏิปทาในการปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตนเองให้สัมผัสผลที่สูงขึ้นในพระพุทธศาสนาโดยลำดับ กอจะมองในเชิงของการปฏิบัติรธรรมะปฏิบัติรมหลักของพระพุทธศาสนาเรื่องจะเป็นหลักโดยธรรมชาติแล้วก็จะพบว่าจุดใหญ่ใจความนั้นอยู่ที่ความเพียรพยายามที่จะลดละโลภโทสะโมหะซึ่งมีรากเก้ามาจากอวิชชาธรรมะกลุ่มนี้ท่านเรียกว่าเป็นปหาตประธรรมคือธรรมะที่จะต้องละ อย่างน้อยก็ต้องลดต้องบรรเทาลงไปในลําดับนั้นๆในขณะเดียวกันก็พยายามเสริมสร้างความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงขึ้นซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นการเสริมสร้างวิ ช, ชาก็ได้พูดถึงว่าเป็นการเพิ่มเมตตาเพิ่มความเสียสละเพิ่มปัญญาขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันถ้าคําเหล่านั้นเป็นเรื่องของโบหารในการพูด ในการสื่อให้เกิดความเข้าใจแต่หลักในการปฏิบัติก็คงยุติด้วยหลักดังที่กล่าวแล้วดังนั้นโดยชั้นหนึ่งท่านจึงพูดว่าปาณภาวนาปานะก็คือละส่วนที่ไม่ดีภาวนาก็คือการกระทำำําบําเพ็ญส่วนที่ดีให้มีให้เป็นขึ้นตามกำลับบงความสามารถของตนลักษณะคําสอนแนวนี้ก็เป็นคําสอนหลักในที่ทั่วไปแม้แต่การที่ ทรสอนเป็นโอวัตโอวาตปาติโมกคือคำสอนหลักที่ใช้ข้ขอบความเพียงสามบรรทัดว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้สมบูรณ์การทําจิตให้ผ่องแผ้วเมื่อว่าในเชิงการปฏิบัติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในการไม่ทําบาปทั้งปวงก็คือการละ บ, บาปเป็นส่วนของปะหนะนาการทํำกุศลให้สมบูรณ์ก็คือการบําเพ็ญความดีด้วยส่วนของภาวนาการละ บ, บาปบาเพ็ญบุญ น, นั้น มาพิจารณาสู่กันที่จุดของจิตว่ามีความสงบมากน้อยแค่ไหนเพียงไรมีความสะอาดสูงขึ้นมีความสว่างสูงขึ้นก็มาดูกันที่ตรงนี้แต่ว่าจุดหมายปลายทางในการปฏิบัตินั้นทรงใช้คําว่าตามจิตได้ผ่องแผ้วซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นสภาพจิตที่ปราศจากอสวะกิเลเครื่องสมองใจทั้งหลายแต่ว่านั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดจนในขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติเองก็ ดำเนินไปโดยในยะนี้คือมุ่งผลที่จะลดละส่วนของอกุศลเพิ่มปูนส่วนที่เป็นกุศลนั่นเองกิเลสประเภทที่ทรงใช้คำว่าเป็นเครื่องกังวลที่ทรงแสดงเฉพาะในที่นี้ก็พูดเฉพาะตัวหลักๆของกิเลสเหล่านั้นโดยทรงใช้คำว่าราคาโทสะโมคะตัณหามาณทิฏฐิและทุจริตได้ชื่อว่าเป็นกิเลสเครื่องกังวลก้อนี้ในเชิงของการศึกษา เมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพิจารณาสอด ส, ส่องไปแล้วก็จะพบว่าที่จริงเป็นการแสดงถึงกิเลสที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของการเหล็กกันแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นรูปของพฤติกรรมเป็นเชิงรู ป, ปรธรรมที่บุคคลแสดงออกทางกายบ้างทางวาจาบ้างก็กลายออกมาเป็นทุจริตมาสืบสาวลึกลงไปว่าทุจริตนั้นมาจากไหนแล้วก็ตอบว่ามาจากใจที่ทุจริต ใจติทุจริตนั้นมาจากไหนก็ตอบได้ว่ามาจากกิเลสกิเลส ท, ทั้งหลายก็คือกลุ่มของราคะโทสะโมหะม า, ะานะตัณหามานะทิจิอันหนึ่นงข้อที่ควรพิจารณาเพือจะลดละบรรเทาเรื่องเหล่านี้ก็คือการสอนให้มองเห็นโทษของเรื่องเหล่านั้นการมองเห็นโทษจะต้องมองในเชิงรูปธรรมด้วยเชิงที่เป็นนามธรรมด้วย เราพยายามสาวให้ลึกลงไปว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเป็นการปลูกฝังความรังเกียจความกลัวต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทําอะไรไปตามอํานาจของกิเลสในความคิดเหล่านี้บางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนในเชิงรูปธรรมคําสอนประเภทที่เรียกว่าชาดกต่างๆทถึงถ้าเรามองในผลสรุปของชาดกแต่ละเรื่องที่ทรงแสดง ที่จริงเป็นการอาศัยบุคคลเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วในอนดีตมาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตสํานึกของบุคคลผู้ฟังในขณะนั้นๆให้มองดูว่าถ้าตนเป็นอย่างนั้นบ้างก็ต้องประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเช่นนั้นถ้าตนไม่เป็นอย่างนั้นก็จะประสบความสุขความเจริญซึ่งก็ตรงกันข้ามกับความทุกข์ความเดือดร้อนก็เป็นหลักที่จะเสริมสร้างความคิดสร้างจิตสํานึกของบุคคลผู้นั้นให้เกิดขึ้น ในทางที่จะระความชั่วและประพฤติความดีนั่นเองตอนนี้เราอาจจะเอาเรื่องราวของอะไรก็ได้จตัวอย่างเช่นเรื่องรามเกียรซึ่งเป็นวรรณคดีที่แพร่หลายกันในบ้านในเมืองเราเราจะพบว่าในแวดวงของรามเกียรตินั้นเป็นเรื่องของราคะเป็นเรื่องของโทสะเป็นเรื่องของโมหะเรื่องตัณหาเรื่องมานะเรื่องทิฐิแล้วก็ออกมาเป็นรูปทุจริตต่างๆคนเป็นจํานวนมากที่ต้องทําทุจริต เพราะไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีใจทุจริตเชนลูกหลานวันเครือของทศกัณฐ์เป็นต้นนั้นจริงก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแต่ก็ถูกดึงเข้ามาร่วมประกอบทุจริตด้วยกันเพราะรักเพาะแรงตัาหามานตะทิฐิที่มีอยู่ภายในจิตใจใของทศกัณฐ์นั้นก็คือการมองในเชิงที่เป็นรูปธรรมมาเห็นว่านั้นคือผลจริงๆแล้วมันออกมาจากกิเลสแต่ก็มีความเข้มข้นออกมาเรื่อยๆ แทนที่จะกระทบเฉพาะตัวเองก็ไปดึงญาติวงว่านเครือเข้าข้าเกี่ยวข้ของด้วยคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็พลอยเดือดร้อนกับความทุจริตต่างๆนั้นด้วยทีนี้เมือ่อทุจริตเหล่านั้นบังเกิดขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดความกังวล น, นานาประการกังวลในความปลอดภัยของตนเองกังวลต่อการที่จะถูกโต้อตอบถูกแก้แค้นจากบุคคลทั้งหลาย กังวลต่อภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากผลแห่งปาักังวลต่อทุกภัยในอบายที่ตนจะต้องประสบเป็นตนซึงเมื่อบุคคลมองลึกลงไปก็จะพบว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ความกังวลในลักษณะต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแต่พราะเรามีสิ่งนี้เราจึงมีความวิตกกังวลในเรื่องเหล่านั้นซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับว่าบุคคลยัมีเชื่อหวัดอยู่ พอเจอหนาวหน่อยพอเจอละอองฝนหน่อยก็กังวลแต่เรื่องว่าจะได้รับเชื้อวัดหรือจะเป็นวัดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีปัญหาอะไรเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรกับเรื่องเหล่านั้นอาจจะหนาวไปอาจจะมีละอองฝนหรืออาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่น่าจะเป็นวัดแต่ก็คิดว่าเมื่อภายในไม่มีปัญหาอะไรภายนอกอาจจะแรงไปบ้างก็คงจะไม่มีปัญหาทําให้จิตใจไม่มีความวิตกกังวลในเรื่องเหล่านั้น และักษณะของความกังวลจึงอยู่ที่ใจเป็นเบื้องตน้นถ้าใจไม่ได้สร้างปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาแล้วความกังวลที่ต่อเนื่องไปจะส่งใช้คำว่าอย่างไงก็ตามก็จะไม่บังเกิดขึ้นก็ น, นี้เพิงดูตัวอย่างว่าลักษณะของราคะหรือโลภะที่ส่งใช้คาว่ากิเลสเป็นเรื่องกังวลก็แรกนั้นถ้าหากว่าใจคนไม่ไปกำหนดหมายอารมณ์ ว่าน้าใคร่น้าปรารถนาหน้าพอใจความกังวลอยากได้ในอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าพอใจไปเริ่มกําหนดว่าอารมณ์นั้นน่าใคร่หน้าปรารถนาน้าพอใจจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมาก็ตามถ้าเกิดมุ่งมา่ปรารถนาขึ้นมาเช่นนั้นจิตใจก็จะเกิดความกําหนดหมายในแน่ว่าสิ่งนั้น สวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเพราะกำหนดหมายมากเข้าก็ตรึกนึกถึงตรึกนึกถึงไปในแนวเดียวตรึกนึกถึงด้วยความตอกยำ้ำปรารถนาที่จะให้ได้เป็นอย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ให้มีอย่างนั้นเป็นต้นก็คิดเรื่อยๆไปทีนี้พอตรึกนึกล่อยเขานั่นก็กลายเป็นความพอใจที่ก่อตัวขึ้นมาภายในใจ ปริมาณของความพอใจที่ก่อตัวขึ้นมาภายในใจพอสูงขึ้นแล้วจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงออกมาทางกายเพราะกิเลสประเภทนี้พึงสังเกตว่าจะมีกายเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยในบางส่วนหมายความมีแรงกระตุ้นจากส่วนของร่างกายด้วยมีแรงกระตุ้นจากใจด้วยมีแรงกระตุ้นจากอารมณ์ภายนอกด้วยเลยก็เป็นสามแรงเป็นกิเลสที่คนพ้แพ้ง่ายมากเพราะว่ามีแรงเข้ามากระทบทีเดียวถึงสมแรงด้ยัน ดังนั้นวิธีการในทางพระพุทธศาสนาจึงมีวิธีการตั้งแต่ชั้นศีลเป็นต้นมาเพื่อจะควบคุมไอความรุนแรงทั้งสามสายนั้นให้ลดลงฉันว่าในส่วนของร่างกายก็พยายามที่จะดํารงชีวิตอยู่พออย่างอัตภาพให้เป็นไปได้ไม่ได้ส่งเสริมบํารุงบําเรอร่างกายของตอนเองมากเกินไปและในขณะเดียวกันใจ ก็ต้องพรากจากอารมณ์เหงื่อ ห, ห่างอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้ในชั้นของวินัยที่ประณีตบุคคลผู้ปฏิบัติจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนด้วยว่าทําไมพระพุทธเจ้าจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องบัญญัติอย่างนั้นที่จริงต้องการจะลดเชื้อของกิเลสประเภทราคะคือความกําหนัดรักใคร่ยินดีในอารมณ์ทั้งหลายออกไปสถานที่บางอย่างซึ่งมีลักษณะขอให้เกิดความกําหนัดเพลิดเพลินก็ปิดไม่ให้ไป อย่าไปในสถานที่เหล่านั้นเมื่อไม่ไปมันก็ไม่มีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกเชือที่มีอยู่แล้วมันก็มีเท่าที่มีหรือว่าบางครั้งบางคราวเป็นการพรากตนห่างออกไปจากอารมณ์ทั้งหลายวิธีการที่ส่งสอนให้ไปอยู่ตามป่าตามถ้าตามเขาตามเรือนว่างตามทุ่งนาตามชายทะเลอะไรเนี่ยก็เต็มที่จริงก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะตัดกระแสของอารมณ์ เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไปอยู่สถานที่เหล่านั้นจะห่างอารมณ์ที่มีลักษณะยุ่ยยวดแต่จะไปใกล้กับอารมณ์ซึ่งโน้มน้าวจิตใจเข้าหาความสงบที่ความเยือกเย็นเป็นสมาธิบังเกิดขึ้นภายในใจเวลาจะปฏิบัติบำเพ็ญเพียรทางใจมันก็ทำได้ง่ายขึ้นเพราะความรู้สึกผูกพันว่าเป็นของเราในอารมณ์ท้งหลายนั้นไม่มีลักษณะเหล่านี้บางครั้งคนไม่ค่อยจะสังเกตเห็น เช่นบางท่านที่ไปในต่างประเทศมาไปเมืองโน้นเมืองนี้แล้วก็กลับมาชื่นชมกับความเจริญรุ่งเรืองของบ้านนั้นเมืองนั้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านนั้นเมืองนั้นอไอ้ที่จริงบ้านเมืองก็คือบ้านเมืองจะจะมีความแตกต่างกันบ้างก็ไม่ถึงกับแตกต่างกันอย่างหน้ามือเป็นหลังมือแต่ตัวการจริงๆอยู่ที่ใจซึ่งไปกําหนดอารมณ์เหรานั้นนั่นเองที่ทําให้แตกต่างกันพอออกไปจากบ้านเมืองของเราแล้วไม่มีความรู้สึกว่าของเราในสิ่งเหล่านั้น ม่นจะมีปัญหาอยู่บ้างมีขยะสกปรกอยู่บ้างมีท่อน้ําเน่าน้ําเสียอยู่มีปัญหาอะไรอาัจากรรมต่างๆเราจังอย่างที่เป็นข่าวเป็นขาดทั้งทุกันก็ไม่ไปเดือดร้อนอะไรประของเราไม่ใจไม่กําหนดหมายว่าของเราก็เราก็ไม่ได้แบกเรื่องเหล่าดันเอาไว้จึงรู้สึกโปร่งเบาสบายรู้สึกเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์เหล่าดั้นลักษณะาการออกไปจากบ้าน ออกไปหาความสงบในที่ต่างๆก็ต้องการผลโดยทำานองเดียวกันคือเพื่อลดละความรู้สึกว่าเป็นของเราในอารมณ์ทั้งหลายออกไปอย่างน้อยก็ผ่อนคลายบรรเทาลงไปทีนี้ถ้าหากว่าไม่หยุดในการกำหนดหมายอย่างนั้นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านั้นเข้ามากมากเข้าในที่สุดก็จะมีความปริมาณของความพอใจสูงขึ้นตลงก็มีแรงบวกสามแรง แรงในส่วนความพร้อมของร่างกายคือความแข็งแรงของร่างกายและเชื้อที่มีอยู่ภายในจิตใจและตัวกระตุ้นจากภายนอกให้เราสังเกตว่าอย่างกิเลสประเภทโทสะถึงแม้จะแรงแต่ไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นจากทางกายคือส่วนที่เป็นรูปธปรรมแต่ก็กระตุ้นจากเชื้อภายในใจกับแรงกระทบจากภายนอกสแสดงว่ามีเพียงสองแรงเท่านั้นเองโทสะจึงมีน้อยกว่าราคะในชีวิตประจําวันของบุคคล เพราะเชื้อที่เข้าไปสมทบนั้นมีกำลังอ่อนกว่าส่วนราคะจะมีกำลังแรงคือทั้งราคะและทั้งโลภะนั้นจะมีกำลังแรงเพราะมีแรงจะทั้งสามแรงดังกล่าวแล้วพอไปเกิดมีความพอใจสูงขึ้นมันจะมีความเปลี่ยนแปลงออกไปทางกายมีกายตะขยับเพรื่อนอาจจะเปล่งออกมาทางวาจาหรืออาจจะอุทานออกมาเป็นต้นก็ขึ้นอยู่กับความแรงของอารมณ์เหล่านั้นแล้วเสร็จแล้วก็จะ มีการเร่าร้อนความเร่าร้อนบังเกิดขึ้นภายในใจเร่าร้อนนั้นถ้าวิเคราะห์เจาะลึกลงไปจะพบว่ามันจะมีลักษณะหลายอย่างเลยการเร่าร้องกลัวจะไม่ได้กลัวจะมีอุปสรรคกลัวจะไม่สมหวังหรือกลัวจะได้ไปแล้วจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจจะว้าวุ่นสับสนด้วยแรงของความปรารถนาที่บังเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ปักดิ่งลงไปจริงๆเพราะว่าจะมีตัวที่เข้ามาแทรกซ้อนอยู่เสมอ ปัญหาเหล่านี้ถ้าหากว่ามีใครเป็นที่ปรึกษามาช่วยคุยด้วยมาตั้งปัญหาตั้งประเด็นให้คิดด้วยแล้วกระแสความคิดเหล่านั้นก็จะหยุดได้เพราะว่าถ้าบุคคลคิดคนเดียวคือก็จะวิ่งไปได้แนวเดียวไม่ได้ตั้งปัญหาข้อข้องใจสงสัยอะไรเพื่อให้คิดขึ้นมาดังนั้นจะพบว่าบางครั้งบางคราวเวลาพระก็ดีชาวบ้านก็ดีเนี่ย กร แ, แสจิตมันตกไปในในกิเลสเป็นเครื่ององังวลก็เรียกว่าความโศกท่วมทับบางครั้งต้องใช้คำว่าถูกลุกสอนคือความโศกเสียดแทงแล้วท่านก็คิดไปในแนวเดียวพระพุทเจ้าจะมาตั้งปัญหาให้คิดยกตัวอย่างฝ่ายอุบาสิกาเช่นนางวิสาขาซึ่งหลานของท่านตายไปคนหนึ่งก็ร้องโ h มร้องไห้มาฟาดพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังร้องไห้อยู่ พระเจ้าก็รับสั่งสอบถามมาเป็นยังไงทําไมจึงร้องให้ท่านก็บอกว่าเพราะหลานของท่านตายไปท่านจึงร้องให้พระเจ้าก็รับสั่งถามมาเธอต้องการจะให้มีหลานสักกี่คนท่านก็บอกว่าท่านก็อยากจะให้คนทุกคนในกรุงสาวัตถีเนี่ยเป็นหลานของท่านเป็นญาติพี่น้องของท่านรับสั่งถามว่าคนในเมืองสาวัตถีนี่ก็ตายกันมานละกี่คน ท่านก็บอกก็ตายกันทุกวันวันเก้าคนยี่สิบคนห้าสิบคนร้อยคนตายกันมากบ้างน้อยบ้างพระเจ้ารับสารกถาอย่างนั้นเธอก็ต้องไม่มีวันหยุดร้องไห้เพราะการตายของหลานเพราะการตายของญาติตายของพี่น้องนั่นแหละเราจะเห็นว่ากระแสะความคิดมันจุดหยุดหยุดได้คิดคือฉุกคิดขึ้นมาภายในใจว่าเออมันก็เป็นจริงถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะได้ความสุขมาจากไหน วันทั้งวันก็มัวแต่รอนน้องไห้คนโน้นตายคนนี้ตายคนโน้นตาย่อหายร้องไห้อีกคนนึงก็ตายแล้วก็ร้องไห้ต่อไปนี่คือกระแสความคิดที่ถูกปะทะไว้ด้วยเหตุผลทำให้บุคคลได้สติได้หยุดคิดแต่พิจารณาปัญหาเหล่านั้นเรื่องมีพระรูปหนึ่งที่ท่านต้องการจะศึกออกไปเพราะบาเพ็ญเพียรมานานแล้วไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ ประกอบกับปัญหาความน้อยใจต้องการจะสึกพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเพราะกระแสะความคิดทั้งกำลังดิ่งท่านมีเงื่อนไขท่านมีเหตุผลก็ท่านพร้อมพระพุทธเจ้าก็ตั้งประเด็นให้คิดไปจะสึกไปทำมาหากินอะไรมีความพร้อมแล้วหรือยังท่านก็บอกก็มีความพร้อมแล้วจะทาอาชีพอย่างนั้นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ตั้งประเด็นคําถามให้ท่านคิดตอบไปเรื่อยเมื่อก่อนท่านไม่เคยตั้งคําถามเพื่อตอบ แต่พอมีคนตั้งคำถามให้ตอบมันก็ตอบไม่ได้ในสุดท่านก็หยุดความคิดที่จะสึกออกไปดังนั้นปัญหาบางอย่างเวลาจะสร้างความกังวลความอยากได้ต้องการปรารถนาหรือไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเราเป็นของเราในอารมณ์ทั้งหลายตราว่าบุคคลได้ตั้งปัญหาขึ้นมาพยายามตรวจสอบความคิดถึงเรื่องเหล่านั้น และจะหยุดความคิดได้โดยตัวเองเพราะตามปกติแล้วในเชิงของการปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องของการจะแก้ปัญหาด้วยตัวเองเป็นหลักใหญ่ตามหลักสูตรที่พูดกันว่าตนเป็นที่พึ่งของตนจงเนตนือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนแล้วก็แก้ไขตนเองคือตัดสินตนด้วยตนแล้วก็แก้ไขปัญหาของตนด้วยตนเองนั้นเป็นหลักสาคัญสมมติว่า เกิดความผิดหวังขึ้นมาในอารมณ์อะไรก็ตามบุคคลก็อาจจะถ้าไม่ใช้ปัญญาเพ่งพินิษพิจารณาโดยเหตุโด้วยผลก็จะถูกความโศกเพราะปิยวิปโยคคือการรัดพรากจากคนจากสัตว์จากสิ่งของอันเป็นที่รักหรือว่าต้องเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์กับสิ่งของอันไม่เป็นที่รักก็ได้ ลักษณะความคิดเหล่านี้ถ้าปล่อยแกวไว้มันจะกลายเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอุปายาตอุปายาตนั้นเกิดขึ้นจากการเก็บกดการสะสมหมักหมมสารพัดอารมณ์เอาไว้ดีบ้างไม่ดีบ้างทางอดีตทางอนาคตบ้างทั้งอดีทอต ท, ดทั้งปัจจุบันบ้างก็ลักษณะอย่างนี้ก่อให้เกิดเป็นอาการคับแค้นอึดอัดขัดค้องไปสารพัด อรรถนะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองให้เป็นวัตถุสิ่งของคือขอ ง, ของที่แกกองหมักหมมอยู่นั้นจําเป็นจะต้องหยิบขึ้นมาดูแล้วอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้ก็เก็บไว้อะไรที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ต้องเอาทิ้งแล้วเพราะถ้ากองปนกันอยู่อย่างนี้ใช้อะไรไม่ได้ทุกอย่างคือของใช้ได้ก็จะกลายเป็นใช้ไม่ได้ของใช้ไม่ได้ก็จะทําให้เป็นอาสวะสกระปรกมากยิ่งขึ้ น, นวันจําเป็นจะต้องเลือกเฟ้น แล้ววินิจฉัยตัดสินว่าอะไรควรจะเก็บไว้อะไรไม่ควรเก็บไว้เลือกไปสักพักไอกองเหล่านั้นก็จะค่อยๆเล็กลงโดยลําดับเพราะถูกแยกออกไปนั้นจะเหลืออยู่เฉพาะของที่ใช้ประโยชน์ได้ของที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็ถูกทิ้งไปภายในจิตใจของบุคคลที่เก็บสะสมอารมณ์ก็จะเป็นเช่นเดียวกันจะต้องมีการเลือกเฟ้นจะต้องมีการตรวจสอบถึงอารมณ์ที่เก็บหมักมองสะส ม, อมเอาไว้ แล้วในที่สุดเราจะพบว่าเมื่อเลือกเฟ้นออกไปแล้วส่วนหนึ่งถูกทิ้งไปถูกสลัดไปส่วนที่เก็บไว้ก็เกื้อกูลต่อจิตใจส่วนที่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อจิตก็ถูกทิ้งไปไว้แล้วในที่สุดจิตใจก็จะรู้สึกโปร่งเบ า, าเรียกว่าเบาใจหรือสบายใจหรือสุขใจอาจจะปลื้มใจปีติปราโมทย์ก็แล้วแต่ปริมาณของความดีที่บุคคลสร้างให้บังเกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, น ทีนี้ใ น, ในกรณีของการกําหนดหมายอารมณ์ถ่าว่าบุคคลเพียงพยายามที่จะตั้งคำถามตั้งคำถ า, ถามถึงใจในขณะนั้นๆว่าใจนั้นคิดถึงอะไรวิเคราะห์เจาะลึกลงไปเช่นว่าใจอาจจะคิดด้วยแรงของราักแรงของโทสะแรงของโมหะหรือแรงของสนามานาทิฐิอะไรก็ตามก็ดูให้ชัดในขณะนั้นๆแล้วถามว่าคิดไปเพื่ออะไร เราจะเห็นว่าเป็นการเผาไหม้ที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยเพราะในขณะที่เราคิดนั้นเราอยู่ในยบดายมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าใจถูกเผาล้นด้วยแรงปรารถนาเป็นต้นที่บังเกิดขึ้นก็ขึ้นอยู่กับว่ากิเลสสายไหนที่เกิดขึ้นเหมือนกับจุดไฟทิ้งไว้เฉยๆมันมีการเผาไหม้ไปศูนย์เปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา ดังนั้นเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาเข้าไปส่องถามใจตัวเองว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมพอถึงจุดนี้จะหยุดความคิดได้เพราะจะไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยในเรื่องที่คิดไปแล้วของที่แตกไปแล้วก็คือแตกไปแล้วของหายไปแล้วก็คือหายไปแล้วของคนตายไปแล้วก็คือตายไปแล้วถ้าคิดฝืนสภาวะคติแห่งธรรมดาจะไม่ได้ประโยชน์อะไรคิดมา เศตษฐกิจจะให้ของที่แตกแล้วก็ไม่แตกคนที่ตายแล้วไม่ตายของที่หายแล้วไม่หายเนี่ยเป็นความสูญเปล่าคือของมันก็หายไปแล้วแลวใจก็ตกต่ำลงไปด้วยตรงถูกความโศกความเสียดายความพิรีพิไรรำพันเป็นต้นเข้ากระกร่อนจิตใจพอวินิจฉัยอารมณ์ก็ตัดกระแสของอารมณ์ได้ลักษณะเหล่านี้พึงเห็นตัวอย่างที่เคยเล่าฟังเรื่อง นางกีสาโคตมีที่ท่านปักใจไม่ยอมรับคติของธรรมดาลูกตายท่านไม่ยอมรับว่าตายแล้วก็อุ้มรัดไว้อย่างนั้นแม้จะเป็นศพมีกลิ่นเหม็นออกมาแล้วก็ยังอุ้มรัดไปอย่างนั้นด้วยความรู้สึกว่าลูกยังไม่ตายสร้างปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายกันเป็นการใหญ่แต่เมื่อพระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีหักความคิดท่านออกไปจากลกูก ให้เริ่มไปคิดที่คนอื่นโดยให้หาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านคนที่ยังไม่เคยตายออกมาเป็นเครื่องประกอบยารักษาคนตายคือแสดงว่าหักความคิดออกไปจากเรื่องเดิมให้ท่านเริ่มมองคนอื่นว่าคนรนั้นเกิดมาแล้วก็ตายบ้านนั้นก็ตายบ้านนี้ก็ตายบ้านโน้นก็ตายเด็กก็ตายผู้ใหญ่ก็ตายคนแก่ก็ตายแสดงว่าก็ตายกันทุกคนแล้ในที่สุดใจก็กลับมองกลับมาที่ลูกของตัวเอง ตรงใจตกลงไปได้ว่าลูกตัวเองก็ตายแล้วความโศกที่เคยเสียดแทงใจความสับสนทางใจที่เคยมีมาหลายวันนั้นได้สงบระงับลงไปเพระาะไรเพราะได้ความได้คำตอบที่ถูกต้องชัดเจนเพราที่จริงแล้วนั่นคือคนตายเท่านั้นแต่ความคิดเดิมทีเป็นความคิดที่ฝืนคติของธรรมดาไม่ยอมรับคติของธรรมดา ในตัตั้งก็เดือดร้อนแต่พอยอมรับคติของธรรมดาได้ความเร่าร้อนก็สงบรเงียบไปใจก็พร้อมที่จะฟังธรรมะในสํานักของพระพุทธเจ้าจนได้ฟังธรรมแล้วออกบวชเป็นภิกษุณีเป็นต้นนี่ก็คือตัวอย่างที่เป็นเชิงรูปธรรมบ้าใจของบุคคลที่ไปกําหนดหมายอารมณ์อะไรก็ตามด้วแล้วแต่กระจอให้เกิดความกังวล ความผูกมัดัดรึงใจฉุดกระชากกิจใจของตนไปในอารมณ์ต่างๆแล่นไปในกระแสอารมณ์ต่างๆซึ่งจําเป็นที่จะต้องใช้ปัญญาตัดกระแสของอารมณ์ใช้ปัง้งทั้งในชั้นของศีลธรรมทั้งในชั้นของจิตใจคือระดับที่จะดูจิตของตัวเองแต่นั้นในชั้นของการปฏิบัติในส่วนของสมถะกรรมฐานแทนที่จะหยุดมองเฉพาะในแนวใดแนวหนึ่ง พระเจ้าก็ทรงสอนให้มองตลอดกระบวนของสิ่งเหล่านั้นทั้งสายเกิดและสายดับของสิ่งเหล่านั้นฉันยกตัวอย่างว่กากรรมฉันทซึง่งจริงก็กิเลสประเภทราคะกิเลสประเภทตัณหากิเลสประเภทโลภะนั่นเองแต่ตอนนี้ท่านมาเรียกว่านิวนรนเรา จ, จะเรียกชื่ออย่างอื่นก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเรียกนิวรนเสมอไปบางครั้งสมเรียกว่าอุปกิเลสก็มีทวงเรียกว่าอนุสัยก็มีก็ไม่ควรจะติดในถอยคํา แต่เป็นสภาพของจิตที่ดิ้นพล่านไปในอารมณ์ทั้งหลายเดอมนาดความกำหนัดรักไข่เพลิดเพลินยินดีระเริงหลงในอารมณ์เหล่านั้นก็มองดูจิตในขณะนั้นเมื่อเห็นความคิดเหล่า น, นี้มันเกิดขึ้นก็รู้ตามความจริงรู้โทษของความคิดเหล่านั้นแล้วถ้าปล่อยความคิดเหล่านี้ครอบงำใจตัวเองแล้วตัวเองก็จะตกเป็นทาสเป็นหนี้ที่จะต้องชดใช้อยู่ร่ำไป กิเลสประเภทความใคร่ความปรารถนานั้นจะเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้ของบุคคลอื่นจะต้องชดใช้ก็รับไปบางทีอยากได้ของที่สหรัฐอเมริกาแสดงว่าเป็นหนี้อเมริกาก็ต้องบินไปซื้อมาจากอเมริกาเสียเงินเสียทองเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่ไปกําหนดความอยากขึ้นในสิ่งของเหล่านั้นก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาอะไรมันแต่นั้นจึงเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากิเลสประเภทนี้เป็นการสร้างหนี้ขึ้นเอง ไม่มีใครมาสร้างให้ท่านก็มองเห็นโทษมองตั้งแต่เหตุเกิดไว้ก่อนมันยังไม่เกิดเพราะไม่ได้เกิดประจำจิตนานๆมันก็เกิดแล้วมันเกิดบ่อยๆแต่นั้นเองกิเลสประเภทการมันฉันนั้นมักจะเกิดบ่อยกว่ากิเลสประเภทเด็ดถามว่าเมื่อก่อนที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไงก็สืบสาวไปถึงวิธีเกิดเหตุเกิดขั้งแกแล้วพอเกิดแล้วจะสงบได้อย่างไร เมื่อสงบไปแล้วทํำยังไงจึงจะให้แก่ขาดไปจากใจถึงการได้ขาดไปจากใจแบบถาวรนั้นเป็นเรื่องที่ออ ก, กยากสําหรับสามัญชนทั่วไปวิธีปฏิบัติในแนวของพระพุทธศาสนาจึงทรงสอนในแนวค่อยๆเป็นค่อยๆไปสนใจก็ว่าขัดเกา่าจะขัดเก่าไปเรื่อยๆบันเทาไปเรื่อยๆลดละไปเรื่อยๆถ้าที่จะทําได้ไม่ต้องไปเล่นผลเลิศอะไรคือสิ่งท่งางยนั้นจ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นตามเหตุปัจจัย เหตุปัจจัยบันเดมก็จเจริญเติบโตได้ดีเหตุปัจจัยไม่ดีก็จเจริญเติบโตไม่ดีบางทีพื้นฐานในปัจจุบันดีแต่พื้นฐานอาดีตไม่หนุนสิ่งแวดล้อมไม่เกื้อกูลก็อาจจะมีปัญหากันหน่อยแต่ถ้าหากว่าพื้นฐานทางใจดั้งเดิมของตนดีร่างกายก็ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางพื้นจิตในสภาพปัจจุบันดีปัจจัยแวดล้อมเกื้อกูลสนับสนุนได้การละยานามิตรได้อารมณ์ที่ดีได้อาหารที่ดีเป็นต้น ผลจากการประพฤติปฏิบัติก็จะเพิ่มพูนขึ้นในเวลารวดเร็วแต่จังไงก็ตามการมองเห็นโทษของกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความกังวลหรือกิเลสเป็นเครื่องกังวลหรือกิเลสที่ทำให้ใจกังวลแล้วพยายามที่จะลดละบรรเทาความรุนแรงของกิเลสเหล่านั้นด้วยการใช้ปัญญาเข้าไปส่องเข้าไปเพ่งพินิจวินิจัยตัดสินไปตามสมควรแก่กรณีแล้ว ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจลดละบรรเทาความกังวลที่มีอยู่ให้ลดน้อยถอยลงโดยลำดับก็จะสัมผัสความสุขความสงบตามสมควรแก่การปฏิบัติแต่งตนต่อตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป